จะหล่อนพอท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมา ว, วัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแก่จิตใจเป็นที่ดับความทุกข์ต่างๆสิ่งต่ตางๆในโลกนี้มีมากมีน้อยจะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ถ้าดับก็ดับแบบชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่เหมือนไฟที่ดับไม่สนิทเดี๋ยวพอได้เชื้อก็จะลุกขึ้นมาใหม่ ใจของพวกเราจึงมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆทั้งๆที่พวกเราพยายามดับมันอยู่เรื่อยๆแต่ดับมันเท่าไหร่มันก็ดับไม่สนิทเพราะสิ่งที่เราใช้ดับความทุกข์ภายในใจของเรานี้มันไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้อย่างสนิทนั่นเองมันเพียงแต่ดับได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยว ความทุกข์ที่เราดับมันก็จะโผลขึ้นมาอีกทุกวันนี้ที่พวกเราดำเนินชีวิตนี้ก็ดำเนินเพื่อดับความทุกข์ใจทั้งนั้นเพราะว่าเวลามีความทุกข์ใจนี้มันไม่สบายใจความไม่สบายใจของใจนี้มันร้ายแรงกว่าความไม่สบายใจของร่างกายบางทีถึงกับทนไม่ไหวเหมืกับต้องฆ่าตัวตายไป คนที่ฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้ทุกข์ทางร่างกายอาจจะมีบ้างแต่ตัวที่ทำให้ทนไม่ได้ไม่ได้เป็นความทุกข์ทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ทางจิตใจร่างกายบางทีก็เป็นปกติไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรแต่พอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ถึงกับไม่อยากจะอยู่ แล้วการที่ไปฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันอยู่ข้างในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายต่อให้ฆ่าตัวตายกี่ล้านครั้งก็ต้องกลับมาเจอความทุกข์ใหม่กลับมาเกิดพอเกิดแล้วพอมาเจอความทุกข์ก็จะคิดฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าเป็นวิธีหนีความทุกข์ได้ แต่ความทุกข์นี้มันเหมือนเงาตามตัวเราตามดังที่เรายังมีการเกิดเราก็จะต้องมีความทุกข์ต่างๆตามมาเสมอเราจึงต้องเข้าหาผู้ที่รู้วิธีที่ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงดับได้อย่างสนิทดับได้อย่างถาวรผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ในใจให้หมดไปได้ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราองค์เป็นองค์แรกที่ทรงค้นพบวิธีที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปแล้วต่อจากนั้นท่านก็นำเอามาแนะนำผู้สั่งสอนผู้ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจได้หมดเช่นเดียวกันถ้าเหล่านั้นเราจึงเรียกว่าพระอรหันต์ตถาวพเป็นสาวกก็เพราะว่าต้องฟังจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแล้วทีนี้คนที่ฟังแล้วเข้าใจนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในการที่เราจะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าดูการปฏิบัติของพระอาลหลนตสาวกและดูหรือฟังคำสั่งคำสอนของท่านที่จะ บอกให้เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ใจต่างๆได้ความทุกข์ใจนี้อยู่เฉยๆมันไม่ดับไปเองต่อให้มีความอยากให้มันดับมันก็จะไม่ดับเหมือนกับไฟไหม้บ้านถ้าอยู่เฉยๆนั่งดูไฟเผาบ้านมันก็จะไม่หยุดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อบ้านถูกไฟไหม้หมดไปแล้ว ฉันได้ความทุกข์ใจของพวกเรามันก็จะไม่ดับของมันเองถ้ามันดับก็ดับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ดังนั้นถ้าเรายังมีความทุกข์ใจอยู่สิ่งที่เราต้องมีก็คือพระ พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาโรเป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อเราเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระอรหันตสาวกท่านก็จะสอนวิธีดับความทุกข์ใจให้แก่พวกเราวิธีดับความทุกข์ใจท่านสอนให้ละบาปทั้งปวงและให้ทำกุศลรือบุญให้ถึงพร้อมและสาม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีดับความทุกข์ใจถ้าเราปฏิบัติได้รับรองได้ว่าความทุกข์ใจต่างๆจะไม่มีเช่นการไม่ทําบาปนี้ก็จะหยุดความทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งเวลาเราทําบาปแล้วใจของเราจะไม่สบายเราจะมีความทุกข์กังวลใจกลัวว่าจะต้องไปรับผล บาปที่เราทำไว้หรือกลัวว่าจะถูกเ้าจับได้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปความทุกข์ใจความกลัวความวิตกก็จะไม่มีนี่คือวิธีที่หนึ่งขอให้พวกเราอย่าทำบาปกันอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดตัวเวดีอย่าพูดปดอย่าเสพสุร า, ยาอย่าเมา เพราะว่าการกระทำบาปนี้ถึงแม้จะได้สิ่งที่เราต้องการเช่นได้เงินได้ทองได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ของของเราแต่มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะต้องเสียไปคือความสงบความสุขใจมันจะหายไปเวลาเราทำบาปเวลาเราไปฆ่าคนนี้เราจะอยู่ไม่เป็นสุข เราจะต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆนเวลาเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเวลาเราไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีกับภรรยาของผู้อนเราก็จะไม่มีความสบายใจอาจจะมีความสุขเวลาที่เราได้ไปร่วมหลับนอนกับเขาแต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไป แล้วก็จะมีความวิตกกังวลต่างๆตามมานี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบาปพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปเสียอย่าทําแล้วเราจะกําจัดความทุกข์ใจไปได้หนึ่งส่วนข้อที่สองท่านก็สอนให้เราทําบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมเพราะการทําบุญสร้างกุศลนี้ จะทำให้เรามีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันมาถวายอาหารคาวหวานจะตุกปัจญัยไทยทานข้าวของต่างๆเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันเป็นการสร้างความเมตตา เ, เมื่อทำแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายใจอุตตมะทึงสอนว่าให้ทำบ่อยๆ แล้วความทุกข์ต่างๆนี้มันจะหมดไปความทุกข์ที่อยากจะเอาเงินที่เรามาทำบุญนี้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่าใช้เงินแบบนี้พรามันจะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากซื้อเพิ่มเห็นของใหม่ๆออกมาก็อยากจะซื้อ ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อก็อยู่ได้เราต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้อย่าเอาเงินทองไปซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะเป็นเหมือนยาเสพติดที่เราจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราขาดเงินขาดทองเราก็จะทุกข์เราจะเดือดร้อน หรือเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถไปทำตามที่เราอยากจะทำได้ตอนนั้นใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์และนั่นแหละที่ทำให้คนต้องฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นบางคนเป็นอมตะเป็นอมภาสก็คิดสั้นไม่อยากที่จะอาศัยคนอื่นไม่อยากจะรบกวนคนอื่น หรือหาคนช่วยเหลือไม่ได้หรือคนที่เข้าช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้ช่วยอย่างเต็มใจช่วยช่วยแบบขอไปทีก็จะทําให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเพราะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขขึ้นมาด้วยการทําบุญสร้างกุศลนั่นเองถ้าเหมือนทําบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์เพราะการทำบุญสร้างกุศลนี้จะระ ง, งับความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะใช้เงินใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆพอเราไม่ต้องใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายพิกลพิการไป หรือเวลาที่เราไม่มีเงินไม่มีทองเพราะว่าความอยากใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางร่างกายนี้เรายุติมันด้วยการเอาเงินนี้ไปทำบุญทำบุญแล้วก็จะได้ความสุขใจเอิมใจจะทำให้ไม่อยากที่จะไปซื้อความสุขต่างๆอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับ การสร้างความสุขให้แก่ใจของเราพยายามทำไปเรื่อยๆทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนอยู่ตามร้านเห็นแล้วก็อยากซื้อมาทั้งๆที่เสื้อผ้าก็มีอยู่เต็มตู้รองเท้าก็มีอยู่หลายคู่กระเป๋าก็มีอยู่หลายใบ ซื้อมาก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดมีความสุขเดียวๆตอนที่ไปซื้อเท่านั้นเองพอซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นของเก่าไปพอเห็นของใหม่อีกก็อยากจะได้อีกเราต้องหยุดวิธีการใช้เงินแบบนี้ด้วยการเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานแล้วเราจะยุติความอยากที่จะใช้เงิน ซื้อสิ่งต่างๆได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เงินไม่พอใช้หรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เพราะว่าใจของเราไม่ได้มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองนี่คือวิธีที่สองวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจวิธีที่สามก็คือ ให้มาฝึกทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้ยิ่งจะมีความสุขมากกว่าการไม่ทำบาปมากกว่าการทำบุญให้ทานอีกเป็นร้อยร้อยเท่าเล่เพราะความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าเหนือความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่ดีกว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ทรงตัดสั้เมื่อทรงค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่และความสุขที่ถาวรท่านก็เลยนำมาสอนเราวิธีที่จะทำใจของเราให้สงบอย่างถาวรเราต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจเพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่แหละที่ทําให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเราวุ่นวายเวลาอยากได้อะไรนี้ใจจะอยู่ไม่เป็นสุขเห็นอะไรไม่ถูกใจเพราะอยากให้ให้ให้ถูกใจก็จะทุกข์เห็นคนเขาทําอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ไม่พอใจเพราะอยากให้เขา พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากของเราและเวลาโลภแล้วอยากแล้วไม่ได้ตามใจโลภตามใจอยากก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาใครขัดขวางเราเราอยากจะทำสิ่งนี้เขามาห้ามเราไม่ให้ทำเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันที นี่คือที่มาของความทุกข์ใจต่างๆมาจากความโลภมาจากความโกรธและต้นเหตุของความโลภและความโกรธก็มาจากความหลงคือไม่รู้ว่าความอยากความโลภนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้องกําจัดมันไม่ใช่สนับสนุนมันทุกวันนี้พวกเราไม่กําจัดกันโรกเราส่งเสริมกัน เวลาโลภอยากได้อะไรก็เอามาเลยเวลาอยากมีอะไรก็เอามาเลยนี่คือเป็นการส่งเสริมความโลภความอยากให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วพอเวลาที่เราอยากเนื้อโลภแล้วไม่ได้ดางใจอยากเราก็จะเสียใจความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเกิดจากความโกรธ อ่อหลงไปคิดว่าการทำความโลภทำตามความอยากนี้จะทำให้มีความสุขตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้วว่าอย่าทำตามความโลภอย่าทำตามความอยากหยุดมันดีกว่าหยุดแล้วจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราไม่ต้องดิ้นดนหาเพราะมันอยู่ในตัวเราความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันอยู่ในตัวเรา มความสุขที่มีอยู่ในบ้านถ้าเรามีความสุขอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านไปเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆเพื่อหาความสุขแต่ที่บ้านเราก็ไม่มีความสุขเราเลยต้องออกไปนอกบ้านกันใจของเราก็ไม่มีความสุขเพราะเราไม่เคยสร้างความสุขใจกันขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความสงบของใจ ตอนนี้เรารู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกพวกเราแล้วว่าให้มาทําความสงบให้กับใจให้มาหยุดความโลภความโกรธความหลงให้มาหยุดความอยากต่างๆด้วยการใช้สติควบคุมบังคับใจไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยใจนี้เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าปล่อยให้รถวิ่งไปโดยที่ไม่มีเบรก เดี๋ยวก็จะต้องไปชนกับคันนั้นคันนี้ไปชนกับคนไปตกไปตกถนนไปตกเหวเพราะไม่มีเบรกจใันดใจของเราก็จะวิ่งเข้าหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่มีเบรกหยุดความคิดของเราความคิดของเรานี้มันจะคิดไปในทางความโลภคิดไปในทางความอยากมันจึงทำให้เรานี้ทุกข์วุ่นวายใจอยู่เรื่อย แต่ถ้าเรามีสติมาควบคุมใจให้หยุดคิดได้เราจะพบกับความสงบเราจะพบกับความสุขของใจความวุ่นวายใจต่างๆนี้จะหายไปหมดเลยแต่มันจะหายได้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเวลาออกจากความสงบมาใจก็เริ่มคิดใหม่พอคิดไปทางความอยากก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาใหม่ วิธีต่อมาเราต้องใช้ปัญญาต้องสอนใจให้คิดใม่ในทางที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรวิธีที่จะคิดก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวความสุขก็จะหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นแฟนของเราเวลาได้มาใหม่ๆเขาก็ดีไปทุกอย่างแต่พอได้กันแล้วไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเคยเอา อ, อกเอาใจตามใจเราพอเขาได้เรามาแล้วต่อไปเขาก็จะเอา อ, อกเอาใจเขาตามใจเขาเขาจะไม่ตามใจเราเอา อ, อกเอาใจเราพอเขาไม่ตามใจเราเราก็เสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะเขาเปลี่ยนไปแล้ว หรือถ้าเขาดีดีกับเราแต่เขาไปพบอุบัติเหตุลดความตายเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้สูญเสียคนที่เรารักไปเพราะนี่คือสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของจะต้องมีการเปลี่ยนไปแลนะมีการเสื่อมมีการดับไปถ้าเราอาศัยเขาให้ความสุขกับเรา เวลาที่เขาไม่อยู่เวลานั้นเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะมีความทุกข์นี่คือวิธีสอนใจให้คิดเวลาอยากได้อะไรให้คิดว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ต้องเสือ่อมเดี๋ยวก็ต้องหมดไปถ้าคิดอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากรูปอะไร พอไม่ไม่โลภไม่อยากใจก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุขเนี่ยนี่คือการชาระใจชาระความโลภความโกรธความโลภชาระความอยากต่างๆด้วยสติสมาธิและปัญญาสตินี้จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางที่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็นอะไรเพราะการได้มานี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกวันนี้ที่เราทุกข์เราทุกข์กับอะไรเราก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่นี่ทุกข์กับร่างกายเมื่อก่อนเราไม่มีร่างกายพอเรามาพอเรามาเกิดมีร่างกายเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการหากินทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย นอกจากร่างกายของเราแล้วเรายังไปทุกขกับร่างกายของคนอื่นนี่ทุกขกับสามีทุกขกับภรรยาทุกขกับบุตรทุกขกับทีดาเพราะเราไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เราคิดว่าเขาเป็นสุขเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเราจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร พอใจแล้วไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆใจก็จะถึงพระนิพพานถึงบรล ม, มสุบปลมังสุขขันนี่คือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วท่านก็กลับมาบอกพวกเราสอนพวกเรา ให้ไปกับท่านด้วยการปฏิบัติตามคำสอนสามข้อคือให้ทำละการกระทำบาปทั้งปวงให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมและให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สามข้อนี้เท่านั้นเองไม่ยากเย็นอะไรถ้าทำได้แล้วจะพบกับความสุขที่ถาวรต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา